วันอภทิษที่ห้าพฤษภาคมสองห้าสามแปดเป็นการบรรยายพั ส, สตุในสังยุคปณิกายเรื่องปฏิจจสมุทบาทโดยอาจารย์สุเทพผู้ที่ศรัทธาท่านสาธุชนที่เคารพครับรสูตรวันนี้ยังจะพูดสูตรเดิมถึงจะพูดอีกครั้งหนึ่งคือในครั้งนี้นะครับระสูตรเดิมที่ค้างอยู่มีชื่อว่าภูมิชาสูตร ซึงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคําถามของพระภูมิชะที่ได้มาถามท่านพระสัตยบุตรและพระนอนุ์ซึ่งได้ฟังคําสนทนาของทั้งสองท่านได้นําเอามากราบทูลถวายเล่าความแก่พระผู้มีพภาคอีกครั้งหนึ่งพระผู้มีภาคทรงตรัสรับรองและเมื่อตรัสรับรองแล้วได้ทรงขยายความเพิ่มเติมเกี่ยวด้วยเรื่องของปฏิจจสมุป บ, บาทในบางจุด ในบางจุดที่กล่าวถึงในที่นี้ก็คือจุดระหว่างองค์ที่หนึ่งกับองค์ที่สององค์ที่หนึ่งคืออวิชชาองค์ที่สองคือสังขารอาวิชชาคือกิเลสซึ่งเป็นกิเลสตัวหลักแล้วก็สังขาร น, นั้นก็คือกรรมอันได้แก่เจตนาเราจะมาต่อกันในประเด็นที่สี่ตามลำดับของะสรนะครับในหน้าที่สอง อันที่ถือมาก็ก็น่าดูตามไปด้วย่พระผู้มีพระภาคเมื่อได้ทรงตรัสรับรองเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดความสุขความทุกข์ว่าสุขทุกข์กเวทนานั้นมีภัสสะเป็นเหตุใกล้ได้ทรงแสดงถึงเนื้อความอื่นอื่นสืบต่อไปว่าดูก่อนอนลเมื่อกลายมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นไปอันเป็น ภายในย่อมบังเกิดขึ้นเพราะความจงใจทางกายเป็ société, นเหตุเมื่อวาจามีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะความจงใจทางวาจาเป็นเหตุเมื่อมีใจอยู่สุขและทุกข์อันเป็นเหตุอันเป็นภายในย่อมบังเกิดขึ้นเพราะความจงใจทางใจเป็นเหตุ ที่ท่านตรัสว่าความจงใจทางใจนั้นเป็นคาเรียกหมายเอาเจตนานะฮะเป็นชื่อของเจตนาความจงใจทางกายก็ดีความจงใจทางวาจาก็ดีความจงใจทางใจก็ดีคือเจตนานั่นเองถ้าพูดอย่างไม่แปล ก, ก็คือเจตนาทางกายเจตนาทางวาจาเจตนาทางใจนั่นแหละเป็นชื่อของกรรมหรือเป็นชื่อของสังขารอย่างที่เรียกในปฏิจจสมุปบาทข้อความที่ ท่านกล่าวว่าเมื่อกายมีอยู่เมื่อเวเมื่อวาจามีอยู่เมื่อใจมีอยู่คำทั้งสามนี้ที่กล่าวถึงกายวาจาและใจลอยๆในตอนต้นนั้นท่านหมายเอาวาวทวาวรหมายถึงกรรมมาวรเพราะว่าในตัวเราเนี่ยมีวาวรเมื่อกล่าวโดยโดยวาวรรู้อารมณ์ก็มีหกตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจ นี่เรียกว่าเป็นอารามณฑวานแล้วก็บางทีเรียกทวานเก้าหมายถึงปฏิกูลทวานได้แก่ตาจมูกปากหูขุมขนทวานหนักทวานเบาเนี่ยท่านเด็กรวมเรียกว่าทวานเก้าบางทีก็ทวานหมายถึงปฏิกูลทวานนี้เพราะว่าเป็นที่หลังออกของสิ่งปฏิกูลทวานอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ากรรมมทวานเป็นทวานที่มีไว้สําหรับทํากรรม สำหรับการทำกรรมคือการแสดงออกของเจตนาได้แก่กายทวารวาจีทวารแล้วก็มโนทวารเพราะนั้นความจงใจที่แสดงออกทางทวารทั้งสมนั้นเจตนานั้นจึงถูกขนานชื่อเรียกไปตามทวารด้วยว่ากายกรรมหรือกายสันยเจตนาวาจีกรรมหรือวจีสันเจตนามโนกรรมหรือมโนสัญยเจตนาที่เรา เคยพูดถึงกันมาบ้างแล้วข้อความในตรงนี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสหมายความว่าเมื่อบุคคลกระทรรมกรรมคือเจตนาทางทวานทั้งสามแล้วสุขและทุกข์สุขและทุกข์กนั้นเป็นคำเรียกวิบากคำเรียกวิบากคือสุขเป็นชื่อของกุศลวิบากทุกข์เป็นชื่อของอกุศลวิบาก ก็เกิดขึ้นตามมาก็ได้ความว่าเราทำกรรมทางกายวิบากก็เป็นสองกุศลนด้บาป ก, กับอกุศลนด้บาปทำกรรมทางวาจาวิบากก็เป็นสองทำกรรมทางใจวิบากก็เป็นสองทีนี้คำว่าภายในนะฮะที่ท่านพูดเนี่ยท่านกาลังจะบอกว่าวิบากที่แสดงผล แสดงผลที่ไหนท่านบอกว่าแสดงผลภายในภายในในที่นี้ท่านหมายถึงตัวคนนั้นนั่นแหละตัวคนนั้นนั่นแหละคือคนที่เป็นเจ้าของเจตนานั้นนั่นแหละก็ได้ความว่ากรรมของใครที่ได้ทําไว้ทางใดเวลาทําให้เกิดกุศลหรบาปอกุศลหิบากกุศลหรบาปอกุศลหรบากนั้นก็แสดง หรือก็เสวยโดยบุคคลผู้กระทํากรรมนั้นนั่นเองไม่เกี่ยวกับคนอื่นไปแสดงแก่คนอื่นไม่ได้อันนี้เป็นหลักเด็ดขาดนะฮะหลักเด็ดขาดขั้นสภาวธรรมพูดโดยไม่มีข้อแม้อย่างนี้อแต่ว่าที่เราพูดว่าบุคคลบางคนทํากรรมแล้วมีผลไปถึงบุคคลอื่นก็ดีเช่นว่าพ่อแม่ทําแล้วลูกได้รับก็ดีหรือว่าผู้นำำําทําผู้ตามได้รับก็ดี เ, เช่นว่าเพราะพระราชาเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมหรือเพราะพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมก็ทำให้อนาประชาราชนั้นได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับความสุขอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าพระราชาเป็นผู้ทำราษดอนเป็นผู้ได้รับนะฮะหรือการอุทิศส่วนกุศลก็เหมือนว่าคนทำเป็นคนหนึ่งคนได้รับส่งเสริมเป็นคนหนึ่ ง, ง, นนนงอันนี้นเป็นการพูดโดยโลกโวหารพูดอย่างสมมติพูด แต่ว่าจริงๆแล้วน่ะคื อ, อเราเราย้อนเรื่องอย่างการดูที่สุขุสนเนี่ยหรือการที่คนหนึ่งทําบุญแล้วคนหนึ่งอนุโมตนาเนี่ยจริงๆแล้วก็คือทําด้วยกันทั้งคู่คนหนึ่งทําในฐานะของบุญกิริยานั้นเป็นอย่างหนึ่งคนหนึ่งทําในฐานะบุญกิริยานั้นเป็นอย่างหนึ่งนะอย่างเช่นว่าเราเห็นคนหนึ่งทอดกระถิน เราไม่ได้ทอดด้วยเราอนุโมทนาจ ะ, ะตั้งจิตอนุโมทนาเองหรือให้เขาอุทิศส่วนให้ยกบุญให้เราเนี่ยถามว่าไอ้คนขออนุโมทนาเนี่ยไม่ได้ทำหรือตอบว่าทำแต่ทำในฐานะอนุโมทนาคนผู้เป็นเจ้าของบุญเป็นต้นบุญนั้นดำในฐานะที่เป็นผู้ทำเองคือทำฐานเอง และถ้าหากว่าเขาทําแล้วแล้วให้อนุโมตนาด้วยคือให้ปฏิทานด้วยเขาก็ได้บุญสองอย่างในคดีเรื่องนั้นเราได้อย่างเดียวคือได้อนุโมตนาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราทําแล้วให้คนอื่นด้วยเราได้บุญสองต่อคือทําอย่างเดียวเรียวกวกระสุนหนะ้าเดียวได้ น, นกสองตัว น, น, นะครับสมองนั้นนะทีนี้มันมีกรณีที่เรียกว่าบางอย่างเนี่ยมันเหมือนคนหนึ่งทําแล้วคนหนึ่งได้รับ ประเด็นปัญหาตัวนี้มีมากความจริงเราก็เคยพูดกันบางแล้วแต่ว่าพูดอีกนิดหนึ่งคนหนึ่งทําคนหนึ่งได้รับทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยเพราะอะไรเช่นว่าพ่อแม่ทําความดีไว้บารมีก็เหมือนจะตกทอดมาถึงลูกพ่อแม่ทําความชั่วให้เขาเกลียดไว้เขาก็เกลียดพันุ์มาถึงลูกมาทําลายถึงลูกอย่างนี้นะครับเรื่องนี้นะ่ะทั้งที่ว่าเหมือนว่าลูกไม่ได้ทําเลย แต่อธิบายอย่างในทางศาสนาว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือในฐานะอื่นก็แล้วแต่เธอะเพราะคนนั้นได้ทํากรรมเกี่ยวกับคนนั้นไว้เมื่อคนหนึ่งได้รับจะดีก็าตามจะชัวว่วก็ตามก็จะสัมพันธ์ไปถึงอีกคนหนึ่งด้วยคนหนึ่งก็จะลอยได้รับด้วยแต่ว่าถ้าอีกคนหนึ่งเขาไม่ได้ทําด้วย เขาอาจจะว่าไอ้กรณีเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยบางทีไอ้เรื่องเดียวกันเนี่ยเชื่อไหมฮะว่าคนหนึ่งมายุ่งเกี่ยวในเหตุการณ์หนึ่งได้บุญคนหนึ่งมายุ่งเกี่ยวเหตุการณ์หนึ่งกลับได้บาปเหมือนอย่างงานอาเผาศพพระพุทธเจ้าหรือเหมือนอย่างที่คุยกันอย่างเมื่อกี้ตัวเองเนี่ยไปยกที่สั้งสี่สิกว่าไล่ให้เป็นสาธารณกุศลเป็นร่างโรงเรียนบ้างอะไรบ้าง แต่ว่าแทนที่จะได้รับความร่วมมือจากก็อย่าพูดว่าใครคนโกงการไหนนะที่สมควรจะให้การร่วมมือกับประพฤติกัดขวางกลับมาฉวยโอกา ส, สแสวงหาผลประโยชน์กรณีอย่างนี้นะถามว่าใครได้บุญคนทําได้บุญหรือคนอื่นที่ให้การสนับสนุนด้วยประการใดๆ ไ, ได้บุญแต่คนที่มาฉวยโอกาสกลับว่าคนนี้นะเป็นคนใจบุญ เราเขาจะมาบริจาคแท้แท้แทนที่จะช่วยเขาเปล่าๆก็เพืหาช่องขูดรีดเอาประโยชน์จากคนที่กําลังจะทําบุญไงนะเลยได้บาปทีนี้เวลากรรมส่งผลเนี่ยเราถึงพบเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นอย่างหนึ่งเช่นว่าน้ําท่วมเป็นอกุศลวิบากของคนพวกหนึ่งเป็นกุศลวิบากของคนพวกหนึ่ง ไอ น, นี่ผมไม่ได้พูดว่าเขาไปจ้องยาจังหาประโยชน์กับความทุกข์ความเดือดร้อนนะแต่มันจริงไหมผมถามเกิดปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเนี่ยคนพวกหนึ่งได้รับผลร้ายคนพวกหนึ่งได้รับผลดีทําไมละเหตุการณ์เดียวกันทําไมถึงได้รับผลไม่เหมือนกันที่เป็นอย่างนั้นก็คล้ายๆกับอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้ว่าเวลาพอกรรมให้ผลเนี่ย ไอคนที่เอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นจะได้ผลดีเมื่อกำให้ผลแล้วคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นอย่างไม่ดีจะได้รับผลชั่วเพราะตัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีการนั้นอย่างเป็นบุญหรืออย่างเป็นบาปเนี่ยนี่อันนี้ผมพูดเป็นยกตัวอย่างเป็นอย่างกว้างๆถ้าอธิบายไปยกตัวอย่างหรือนึกประกอบขึ้นอีกเป็นหลายๆเรื่องก็จะเห็นชัดเลยว่า ที่เขาบอกว่าร้ายกลายเป็นดีดีกลายเป็นร้ายเนี่ยบางนี่พูดถึงว่าต่างคนกันเนี่ยนะเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยร้ายกับอีกคนหนึ่งเดียกับคนอีกคนหนึ่งมันก็แล้วแต่กุศลวิบากของคนบางคนเพราะฉะนั้นเพราะบ้านเมืองร่มจมเนี่ยบางคนจึงได้มีโอกาสเป็นวีรบุรุษแต่หลายคนก็อาจจะประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นหลายอย่างหลายประการอันนี้ก็แล้วแต่ ไอ้เหตุการณ์นั้นจะเป็นการละสมบัติของใครและที่เป็นการรสมบัติการละวิบัติของใครก็เพราะว่าบุคคลนั้นได้นําตัวเองเข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นไว้อย่างเป็นกรรมในฐานะอะไรถึงว่าคนหนึ่งเข้าประสบความสําเร็จได้ดิบได้ดีแต่ความสําเร็จของเขาคนนั้นเนี่ย คนพวกหนึ่งมีความสุขคนพวกหนึ่งมีความทุกข์คนพวกหนึ่งต้องจอมใ ต, ต, ตายเพราะความสเฉลี่ยของคนอื่นใช่ไหมคนอีกคนหนึ่งกลับหายจากโรคเพราะความสเฉลี่ยของอีกคนหนึ่งของคนนั้นคนเดียวกันนะ่ะมันเพราะอะไรนี่คือไอ้สายโยงใหญ่ของกรรมที่เรียกว่าทํากรรมร่วมกันคือไอ้คดีเดียวกันแล้วตัวเขามาเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรเนี่ยก็จะได้อย่างที่ตัวเองทําเจตนาเข้าไปผูกกับปรากฏการณ์นั้นหรือ อ่าคดีการนั้นอย่างนั้นนี่ก็เลยพูดเพื่อเชียรเห็นอย่างนี้นะครับว่าเรื่องนี้นะเป็นเรื่องกรรมของใครของมันและถ้าคนนั้นถึงจะมีความเกี่ยวพันกับคนผู้กําลังสเสวยวิบากกรรมอันใดอันหนึ่งอย่างอย่างในทางสายเลือดหรือในทางความสำคัญอย่างแนบแน่นเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่ากรรมเขาไม่ได้เกี่ยวกันแล้ว ก็จะไม่ร่วมทุกข์ร่วมสุขจากวิบากที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นเช่นว่าพ่อแม่อาจจะตายแต่ลูกรอดอะไรอย่างนี้นะฮะคือคือแยกทางกันกรรมก็ก็ถือว่ากรรมไม่ร่วมกันก็ไม่มาประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างชนิดที่เรียกว่ามองทางกายภาพแล้วควรจะถึงกันแต่ไม่ถึงกันและในทางลงข้ามว่าคนบาคนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกันเลย ในทางทางกายภาพเนี่ยนะแต่ว่าในทางกรรมกับเกี่ยวกันเรื่องนี้นะาทางกุศลก็เห็นกันชัดเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้ากับพ่อตาพระพุทธเจ้าเกีกยเ่ยวกันไหมในทางกายภาพเกี่ยวในทางกายภาพเกี่ยวก็เป็นพ่อตากับลูกเขยไงแต่ว่าในทางบุญเกี่ยวกันไหมบรารมีสั่งสมมาเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยว พ่อตาคนอื่นบรรลุจากท่านเยอะแยะแต่พ่อตาของท่านเองไม่ได้บรรลุจะโทษท่านก็นไม่ได้ก็ต้องโทษพ่อตาอะไรจะไปโทษลูกเขยได้ไงลูกเขยอยากจะช่วยทุกคนแล้วชีวิตเราเดี๋ยวเนี้เห็นชัดเลยอะเราอยู่ชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยบางทีเราก็เห็นว่าไอเราไปได้ดีได้ดีได้ชัวเนี่ยบางคนไกล้คนไกลที่บางทีเราก็คาดไม่ถึงว่าจะไปได้ดีได้ชั่วจากคน ไกลๆที่บางทีอาจจะไม่เคยรู้จักสนิทสนมเกี่ยวข้องอะไรกันมาก่อนเลยแต่กรรมเขาก็สร้างความสัมพันธ์ให้ต้องมาเกี่ยวข้องกันในฐานะอย่างนั้นอย่างนี้เราพลิกไปดูหน้าที่สามองสูตรแล้วผู้มีภาพได้ตรัสต่อว่าดูกรอนอนเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยนั่นแหละบุคคลย่อมปรุงแต่งกายสังขาร นี่ครอบกลุ่มที่หนึ่งนะกลุ่มที่สองบุคล ค, ลบบคลย่อมปรุงแต่งวัชิสังขารกลุ่มที่สองบุคที่สามบุคคลย่อมปรุงแต่งมโนสังขารก็จะเห็นว่าในสูตรนี้สั้นทรงตัดสังขารแบ่งประเภทสังขารที่เกิดจะอวิชชาโดยทวารสามว่ากายสังขารวัชิสังขารมโนสังขารอันนี้ให้ให้มองเป็นหลักใหญ่ๆก่อนบางแห่งแบ่งเป็นปุญญาอปุญญาอเนจยาในนี้แบ่งด้วยอำนาจ ขานสามได้ทรงตรัสว่ า, าบุคคลย่อมปรุงแต่งกายะสังขารคือเจตนาทางกายกรรมทั้งหมดทั้งที่ล่วงกรรมบทและไม่ล่วงกรรมบทกายกรรมเนี่ยมันมีทั้งล่วงกรรมบทและไม่ร่วงกรรมบทเป็นกุศลก็ตามอกุศลก็ตามล่วงกรรมบดหมายก็ว่า คาซัดลักทรัพย์หรือผิดในกรรมอย่างนี้เรียกว่าอ่าอยู่ในข่ายของกรรมบทนะฮะแล้วก็ถ้าทําครบองค์เรียกว่าล่วงกรรมบทถ้าทําไม่ครบองค์ไม่ล่วงกรรมบทและถ้าทํากรรมอื่นใดที่ไม่ได้อยู่ในข่ายของความเป็นอคุศนกรรมบทเนี่ยมันก็มียกตัวยอย่างเช่นว่าเราโกรธแล้วก็ทืบเท้าปังปังเป็นบานาติบาตไหม ไม่เป็นไม่ได้มีจิตคิดฆ่าใครใช่มกระเทือเท้าปังปังเป็นไม่เป็นปาณาติบาตเป็นกายกรรมไหมเป็นแต่ไม่อยู่ในข่ายของกรรมบุญบุตพฉะนั้นเมื่อไม่อยู่ในข่ายก็ไม่ต้องพูดว่าลวงไม่ลวงเพราะฉะนั้นที่ตรัสตรเนี้จึงเอาความหมายเบ็ดเสร็จทั้งหมดว่าเจตนาใดที่แสดงออกเกี่ยวเนื่องด้วยกายเรียกว่าเป็น กายะสังขารหรือเป็นกายกรรมนั่นเองครับเียกอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้สุขและทุกข์อันก็คือว่ากายะของใครวิบากก็ได้แก้นะระวางไว้เป็นมาก่อนอุทแต่ว่าตออธิบายออกไปเป็นพิสดารว่าโดนเองเนี่ยด้วยแล้วก็ต่อไปเพราะผู้อื่นบ้างเอาเอ า, เอาสองอย่างนี้พูดปนกันถือว่าเป็นอีก ใสยังครที่ว้ตนเองเนี่ยแฝงเป็นะใครที่ติดตามฟังใส่ภาษาบาลีงลงไปเลยกรรมที่ทําเองเรียกกรรมว่าอ่ะจิตที่เกิดที่เกิดเลยว่าติดนั้นกทำที่บุคคลทําัาขาริทั้งบุตรบุคคลท่ลทาใส่ที่ผู้อื่นวางไว้ครับว่าสัญญุปิีบาปในความเป็นจริงเนี่ยเราก็ทํา บุญและบาปเป็นอาสังขาริกบ้างศาสนาริกบ้างในการบางครั้งยกตัวอย่างไหนได้ไหมว่ากายกรรมข้างอากุศลที่เป็นอาสังขาริกคิดทำเองคืออย่างไรก็ฆ่าสัตว์เองโกงเองประพฤติผิดในการมเองนั่นแหละเป็นอากุศลที่ทำเอง บาปมากหรือบาปนอ้อยบาปมากอากุศลอย่างนี้บาปมากและกุศลที่ทําเองกุศลที่ทําเองเนี่ยที่จริงก็รวมทั้งบาปที่ทําเองด้วยมันมีเองอย่างบางอย่างเนี่ยมันมีอยู่สองแบบนะเองเองอย่างกล้าแข็งร้ายแรงมากที่สุดเนี่ยคือเองแบบติดตัวมาตั้งแต่เกิดอันนี้ที่ไม่ต้องเข้าโรงเรียนไม่ต้องดูตัวอย่าง ไม่ต้องมีใครบอกไม่ต้องมีใครจ้างมีไหมฮะที่เป็นอสังขารลิติดเหมือนติดตัวมาตั้งแต่เกิดได้ช่องได้โอกาสทำความชั่วนั้นทันทีเด็กที่มันไปฆ่าเพื่อนตายแย้งทิงักยานนะใครไปสอนมัล่ะมันเคยไปเข้าโรงเรียนที่ไหนไอ้จริงๆเราก็ไม่รู้แต่ดาวว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้เกิดไปฆ่าคนเพื่อนตายเพื่อเอาจกยานอย่างงี้นะ ไอ้ไอ้แนวโน้มพฤติกรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเนี่ยมันก็มีอยู่เราเองก็มีบางอย่างคนอื่นก็มีบางอย่างแล้วก็เห็นจะพูดได้ว่าก็มีทุกคนนะนะในบางเรื่องบางอย่างที่เรียกว่าไม่เกืิดจะไม่ต้องสอนกันในบางชนิดหนักบางน้อยบางแล้วแต่ระดับการทังส่งของแต่ละคนทีนี้อีกระดับหนึ่งก็คือมีการชักจูง สั่งสมอบรมให้เป็นเบื้องตน้นพูดง่ายว่ามีครูแล้วตอนหลังก็ปีกกล้าขาแข็งบินเดี่ยวได้เองทําได้เองแล้วบางทีก็เก่งกว่าคนสอนเองนะคนที่สอนคนที่นำให้เนี่ยเขาอาจจะเลิกลาเลิกราหรือไม่ชั่วลายถึงขนาดนั้นแต่คนที่ได้รับการอบรมสั่งสอนเนี่ยกลับชั่วลายมากกว่ากลับตัวไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ตลอดชีวิตไปเลยอย่างนี้ก็มีนี่ก็พวกที่อกุศลเข้มแข็งกุศลก็เหมือนกันคนที่เข้มแข็งเนี่ยอย่างที่พูดถึงท่านมหากปรณาเป็นตัวอย่างนะสมัยพุทธกาลก็มีเยอะพระพุทธเจ้าออกบวชเนี่ยใครมาหวานล้อมอไม่ใช่เทวทูตหวานล้อมนะเละเทวทูตห้าสี่หรือ 5, 4, 5. เกิดคนคนแก่เกิดไม่มีนะแก่เจ็บตายนักบวชจ่มามาพวกเทวทูตเหล่านี้ล้างนอนล่องกลางโอยโอยบวชเธอธรรมะโกโดมหรือพระองค์นั้นมาจะเดินให้ดูแล้วก็บวชเธอจริงๆแล้วตรงนี้นะ่ะถือว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงมา อ, ออกบวช เกิดความรู้สึกเมื่อคิดอะไรต่างๆข้อประโลมต่างๆป ร, ริวิทโตกต่างๆเกี่ยวกับการออกบิวนั้นเป็นสังขาริษอย่างแรงกล้าติดตัวมาตั้งแต่เกิดและเป็นไปเองโดยธรรมชาติแม้ไม่มีครูแม้ไม่มีใครบอกอย่าว่าแต่จะมีคนชวนเลยถึงมีคนพูดตรงกันข้าก็ไม่เห็นด้วยไม่ยอมรับไม่ประพฤติตามมีอาจจะมีเหตุผลดีกว่ามีความรู้สึกอะไรต่างๆที่ดีกว่าคนที่มาพูดนะครั อย่างพระพุทธเจ้าเราเนี่ยพ่ออยากให้บวชเนี่ยสมัยก่อนพ่อห้ามไม่ให้ลูกบวชต่สมัยนี้พ่อต้องขอร้องให้ลูกบวชจ้างให้ลูกบวชรับมาจะแบ่งมรดกให้ถึงยอมบวชเ al, นี่พวกนี้ไม่ใช่เชื้อพระพุทธเจ้า<ม>ก็หลายคนเนี่ยก็จะมีแนวโน้มอย่างนี้นะไอ้ความดีของเราเลหลายๆอย่างที่ติดตัวมาเหมือนอย่างที่เราเห็นเด็กๆเกนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เออ่เมื่อวัน ผมก็แวะไปที่วพุธแล้วก็มีพวกวิทยากรที่เขาก็เป็ น, นกลองบ้านกองเรือนเหมือนอย่างเราไ่นะเขาก็มาแล้วก็มีอยู่สองคนเขาเป็นพี่น้องแล้วก็มีลูกชายรุ่นเดียวกันเกิดคนละวันเหมือนกับแม่แม่ก็เป็นพี่น้องกันแล้วก็ลูกชายเขาเนี่ยก็ชอบธรรมะเหมือนแม่เขาเลยแล้วก็ปฏิบัติสวดมนต์สวดอะไรต่ออะไรเนี่ยสวดเก่งกับพระอีก ไปฟังไปงานศพพระสวนอล้วาปทำรู้ว่าพระองค์ไหนดำน้ำพระองค์ไหนสวดผิดรู้เลยแล้วปฏิบัติทำได้ผลอายุแค่ไม่ถึงสิบห้าผมไม่ใคยแน่ใจนะอยู่ในเกณฑ์นี้ไม่ถึงสิบห้าแต่ทำตัวเหมือนพระสำานึกเหมือนพระไปอยู่ก็วัดที่ไหนยี่สิบวันอยู่ได้สบายเลยเรียกว่าเป็นคนมีเหตุอัศจรรย์ทางบุญ โดยแน่แ่เลยนี่ผมก็ยังไม่เจอตัวแต่เขาบอกเขาจะพามาให้เจอตัวให้คุยด้วยผมก็กลัวมันจะมาจับผิดผมรับก็เลยบอกกับแม่เขาเนี่ยว่าเออเราคงเนี่ยคู่นี้คงทำบุญร่วมกันมาแล้วก็มามีลูกไอ้ลูกก็ลูกลูกบุญเหมือนกันก็ตามมาเกิดต่อไปก็อาจจะเป็นกำลังของศาสนานะแล้วก็ก็มีอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่พ่อแม่ก็เปิดบ้านกรรมฐานผมก็ปรึกักเขานะฮะ แล้วก็มีลูกสาวก็เห็นผมก็ทราบ ม, มาตั้งแต่เขาค่อยๆมาฝึกเรียนกรรมฐานในนี้ก็อายุเอพอสมควรแล้วอาจจะสักสิบเจ็ดอะไรนี่แล้วละมะั้งแล้วก็เห็นไปเคยไปออกปฏิบัติกรรมาฐานได้ผลดีมากครับไปเหมือนอย่างผู้ใหญ่ไปอยู่เหมือนอย่างผู้ใหญ่อยู่แล้วก็ได้ผลดีอาจจะมากกว่าผู้ใหญ่อีกหลายๆคนแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้นะ่ะพูดธรรมะได้ดีมาก บรรยายธรรมะได้ดีมากผมก็กลังขอยืมเทพเขามาฟังดูว่าดีขนาดไหนเรก ว, ว่าไปพูดให้เด็กๆฟังนะทราบทึ่งกันเป็นแถวเลยนะก็น่าภูมิใจแทนพ่อแทนแม่ครับที่เขาอยู่กับบุญอยู่กับกุศลนะฮะพ่อเขาเป็นผู้วิพากษาบางคนอาจจะรู้จักแล้วนะอยู่แถวแถวหนนี้ผมก็ยังไม่ได้มีโอกาสเจอหน้าตาลูกครับอย่างเนี้ยก็เป็นตัวอย่างว่าเขาคงจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันแล้วก็มาตามสายบุญสายกุศลเพราะว่าอย่าง คู่นี้เนี่ยบรรพบุรุษเขาก็อยู่กับบุญอยู่กบุญเรื่องสายศาสนามาตั้งแต่ชั้นพอ่อชั้นแม่ค่ะแล้วก็ตกทอดมาถึงลูกแล้วก็มาถึงหลานก็เลยไปกันใหญ่โตอย่างนี้แน่นอนเลยว่าต้องสั่งสมมาและบุญเกิดเกิดอย่างแข็งแรงนะฮะเกิดเองเกิดอย่างแข็งแรงเกินหน้าพ่อหน้าแม่หน้ า, นาผู้ปกครองทีนี้ถ้าเป็นอย่างอ่อนหน่อย ก็ต้องมีคนบอกคนแนะนำนะฮะทีแรกก็ทำท่าครึ่งสู้ครึ่งหนีใจไหมฮะในในพูดถึงว่าในความดีระดับกันนะครึ่งสู้ครึ่งหนีแต่ว่าทำไปทำมาได้กัลยะาณมิตรดีก็สู้เลยก็อาจจะเข้มแข็งต่อไปในโอกาสต่ อ, ตอไปนี่ละคือความเป็นอสังขาริกที่มีสอง ชั้นสองระยะอย่างนี้คันนี้ที่ว่าเป็นสสังขาริกคือคนอื่นชักชวนเนี่ยก็ตรงกันข้ามกันนั่นแหละครับแต่ความเป็นสสังขาริกเนี่ยมันจะมีเป็นสองอีกเหมือนกันทั้งบุญทั้งบาปนะพูดไปได้วยกันสองคืออย่างที่หนึ่งอสังขาริกในเบื้องต้นและเป็นอสังขาริกได้ในเบื้องปลายผู้อย่างเมื่อกี้ โดยได้รับการอุปถัมภ์กระตุ้นจากเหตุปัจจัยได้ที่ก็แก่กระเปลี่ยนฐานะเป็นอสังขาริกแต่บางคนเนี่ยเหมือนกับที่เราพูดว่าเหมือนเป็นคนภาวะจิตอ่อนไอ้คําว่าจิตอ่อนมันพูดได้หลายแงย่แต่แง่ที่ผมกำลังจะพูดก็คือว่าอ่อนกับการทําบุญหรือทำบาปอย่างนั้นมันก็เลยกลายเป็นมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะต้องกระตุ้นบ่อยๆ แล้วเขาเรียวกว่าต้องกระตุ้นกันทั้งชีวิตแล้วครับถ้าเลิกกระตุ้นก็เลิกเลิกทําเหมือนกันต้องกระตุ้นอยู่เลยจะให้คนอื่นกระตุน้นหรือเราหาวิธีการที่จะกระตุ้นตัวเองเราก็หวังว่าพยายามจะกระตุ้นบุญกิญาด้านนี้ของเราเนี่ยให้ถึงความเป็นอสังขาริขให้อยู่ตัวให้ได้บางอย่างก็อยู่แล้วใช่ไหมฮะอย่างบางคนเนี่ยฟังธรรมะอยู่ตัวแล้วไม่ฟังก็ก็คงจะอยู่ไม่ได้ เราเรียกฟังจนอยู่ตัวแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปอย่างเมื่อก่อนเนี่ยก็อาจจะต้องมีการหว่านล้อมตัวเองัางกระตุนน้นอะไรตัวเองแต่ว่าเราทําจนอยู่ตัวแต่บางคนนั้นอ่อนแอในเรื่องบุญนะเดี๋ยวเดี๋ยวอยากเดี๋ยวไม่อยากเดี๋ยวทําเดี๋ยวไม่ทําความรู้สึกมันกลา้าก ล, ะ ล, ะ ล, ะละัวกลัวเชื่อเชื่อบางไม่เชื่อบงังเดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวไม่เชื่อ เดี๋ยวศรัทธาเดี๋ยวไม่ศรัทธาซึ่งในความรู้สึกผมอะความรู้สึกอย่างนี้ต่อความดีน่ากลัวมากนะไม่น่าไว้ใจตัวเองเลยนี่เราพูดถึงตัวเองไม่พูดถึงถึงจะไปรับผิดชอบใครไม่น่าไว้ใจเลยและทันนึกเลยไปถึงการเวียนว่ายตายเกิดในภพชาติต่อไปในยิ่งน่าหวาดเสียวน่ากลัวอย่างยิ่งถ้าเราเอาชนะไม่ได้ให้พออุ่นใจในชาตินี้ก็ ชาติหน้าไม่รู้จะเป็นยังไง ส, ส, สังขาริกถ้าเป็นอากุศลก็ดีนะแต่ว่าชาวโลกเนี่ยโดยมากกุศลจะเป็นสังขาริ ก, ก, ก, ส เ, ก, สสกเสียมากอากุศลเป็นอสังขาริกเสียมากกลับตรปัดตรงกันข้ามกันอีกคู่หนึ่งท่านตรัสว่าบุคคลรู้สึกตัวกับบุคคลไม่รู้สึกตัว ตรงนี้นะเราอ่านปั๊บแล้วไปดูคําบาลีด้วยก็ฟังแล้วก็ชวนงงยิ่งเรียนมากยิ่ชวนงงงงนะแต่ว่าเราก็ทําความเข้าใจได้แล้วก็ตรงกับที่ท่านแก้ไขไว้ว่าคําว่ารู้สึกตัวเนี่ยท่านใช้คําว่ามีสัมปชัญญะไม่รู้สึกตัวคือไม่มีสัมปชัญญะถ้าเป็นการทําบุญไม่มีปัญหาให้สับสน ทีนี้คนทําบาปเนี่ยมีหรือที่ว่าบางคนทําอย่างมีสติแต่ไม่จัญญะบางคนทําอย่างไม่มีสติแต่ไม่จัญยาถ้าอคนไม่เรียนธรรมะ ก, ก็ไม่สนใจหรอกเพราะอะไรเพราะเราคนนึกไปว่าก็คือคนที่ทําบาปอย่างไม่รู้ตัวไงล่ะมีไหมล่ะเห่นเมาแล้วก็ไปทําบาปเกิดอาการคุ้มคลั่งแล้วไปทําบาปอย่างใดอย่างหนึ่งหรือบ้าแล้วไปทําบาป บ้าแล้วไปทําบุญก็มีเมาแล้วทําบุญก็มีได้บุญดีไหมตอนไม่เมาขี่เหนียวพอเมาเข้าเงินเดือนแจกพวกเลยเลี้ยงไม่อันเลยตอนเมาใจดีบางคนบ้าบางคนก็บ้าในลักษณะมีแนวโน้มในทางบุญทางกตศได้อยู่ด้วยคนบ้าให้ขอทานเนี่ยผมก็ได้เห็นมาแล้วก็ยังอนุโมทนาเขานะในอนุโมทนาอนุโมทนาบุญคนบ้าไม่รู้ได้เท่าไหร่ ก็อย่างนี้มันไม่มี ส, สติสัญญะแต่ปัญหาที่อย่างคนเรียนในทางลึกเนี่ยเป็นไปได้หรือที่คนทําบาปด้วยมีสัมบัติสติสัมมชัญญะอย่างที่ท่านแปลว่ารู้ตัวเนี่ยแล้วก็ตรงกันข้ามมีหรือคนที่ทําบุญด้วยจิตปราศจาก ส, สติสัมปชัญญะอย่างว่าทํากายกรรมที่เป็นกุศล ด้วยความปราศจากกติสัมปัญญะและจะเป็นบุญมีเลยนี่เป็นข้อที่เราสงสัยอย่างพอรู้อะไรลึกหน่อยก็มามีข้อสงสัยอย่างนี้ก็เลยมีข้อที่จะต้องพูดให้เลือกพิจารณาทําความเข้าใจถึงจุดที่ท่านประสงค์เนี่ยว่ามีสัมปชัญญะและไม่มีสัมปชัญญะของท่านเนี่ยคืออะไรนี่ผมกําลังจะบอกอย่างที่ผมตั้งเลือกไว้ว่ามันความหมายอะไรที่ผมจะจะต้องค้นดูว่ามันอะไรนะ หนึ่งขณะที่คนทาบาปใดๆเนี่ยทาโดยมีสติสัมปชัญญะประกอบอากุศลจิตนั้นได้หรือไม่ผมถามได้ไหมเช่นว่าฆ่าสัตว์หนอฆ่าสัตว์หนอได้ไหมฮ ะ, ะเจริญสติปกัการฆ่าสัตว์ขโมยหนอขโมยหนอ โกงหนอโกงหนอโกงหนอโมโหแล้วหนอโมด่าแล้วหนอด่าหนอด่าหนอบอกว่าเนี่ยฉันจเจริญสติปวกไปทําความชั่วความผิดโกงขืนกระตันจำเราก็จเจริญสติกันเป็นไปได้ไหมมีไหมคนที่เรียกว่าบรรลุมรคผลคาบาปคาอโตคาปืนอนะ่ะมีไหมมันเป็นไปไม่ได้ นะเพราะฉะนั้นความหมายนี้กับการทําบาปว่ามีสติสัมปชัญญะทาบาปจึงไม่ใช่ความหมายนี้และในทางตรงกันข้ามไม่มีสติสัมปชัญญะทําบุญก็ไม่ได้อีกนี่พูดถึงอย่างพระธรรมนะเพราะอะไรเพราะกุศลจิตนั้นจะต้องประกอบด้วยสติเสมออาจจะไม่มีสัมปชัญญะคือปัญญาหรืออาจมีทั้งสติทั้งสัมปชัญญะก็ได้ คนที่ทำบุญโดยปราศจากสติสัมปชัญญะแท้ๆเนี่ยไม่มีหรอกถึงมีก็ไม่นับเป็นบุญมีก็ไม่นับเป็นบุญถ้าจิตไม่เป็นกุศลนะฮะไม่ถือเป็นบุญครับจะไปให้ทานใส่บองใส่บาทอะไรก็ตามไม่นับเป็นบุญนะเพราะฉะนั้นกรณีนี้จึงไม่ใช่ กรณีที่ท่านหมายเอาเนี่ยท่านหมายเอานี่ครับหมายเอาว่าเชื่อบุญเชื่อบาปหรือไม่ไอตอนทำบุญทำบาปนะตอนหนึ่งความเชื่อยือนพื้นนานหนึ่งผมถามว่าคนเชื่อบุญเชื่อบาปเนี่ยลองเชื่อแล้วไม่ทำบุญไม่ทาบาปอะไรเลยเลยทุกคนไปไหมว่าเชื่อตายแล้วเกิดเชื่อว่า นรกมีเชื่อว่าบุญมีบาปมีตั้งแต่เชื่อแล้วก็เลยไม่ทําบาปเลยทุกอย่างเลยเป็นอย่างนั้นไหมไม่เป็นอย่างนั้นคนทําบาปจึง ท, ทําทั้งที่เชื่อบุญเชื่อบาปก็ได้เชื่อบุญไม่ทําบุญก็ได้เชื่อบาปทาบาปก็ได้อันนี้แหละเรียกว่าหู้ ผู้ใดมีความรู้เรื่องบุญเรื่องบาปแล้วทาบาปชื่อว่าทำบาปอย่างคนมีสติสัมปชัญญะคือมีกรรมมรรคตาปัญญาแล้วทาเออทำได้ยังไงเราก็มานั่งคิดอันนี้ก็ไม่ต้องไปนึกถึงคนอื่นหรอกนึกถึงเราเนี่ยเราจะทำบางอย่างหรือก็รต่อสู้ว่าจะทำจะไม่ทำเนี่ยก็เห็นชัดว่ามันเป็นไปได้ กับคนอื่นเราก็อาจจะนึกอย่างแปลกใจหรือถ้าเราทําซะเองคนอื่นก็จะนึกอย่างแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมคนเชื่อบุญเชื่อบาปถึงทําเวลาอธิบายอธิบายเป็นกุ้งเป็นแฟแต่ถึงบทบาทปฏิบัติกรรมเป็นกุ้งเป็นแฝดทาบาปเป็นกุ้งเันแฝดตรงนี้นะครับท่านว่าความประมาทเชื่อแล้วประมาทขาดสังวรขาดความระมัด ร, ระวังก็ทําบาปทําให้เราเนี่ยทำบาป จึงต้องมีตัวเชื่อมตัวคุ้มครองนะตัวรักษานโยบายของความเชื่อคือความไม่ประมาทก็จะทำให้เราไม่ทบาบาปเท่าที่ระดับความเชื่อความเข้าถึงทางปัญญาระดับสติที่ควบคุมเราว่ามันเข้มข้นแค่ไหนเราก็จะไม่ทำแต่ถ้าเมื่อใดเราเหลอก็ทำก็อย่าว่าแต่ยังเราจะเหลือปกดูสีชีพไรไดชานสมาบัตยังเหลอได้นี่ใช่ไหม ยังเผลอได้ถ้ามันเกินกำลังของความเชื่อและสติที่คุ้มครองบุคคลนั้นอยู่กรนี้ในกรณีของคนที่ไม่มีสติสัมปชัญญะคือไม่เชื่อบุญเชื่อบาปแล้วก็ทำบาปตรงนี้ก็อย่างที่ว่าใครจะบาปมากกว่ากันโดยทั่วไปก็ พูดอย่างไม่ไม่แยกแยะก็ก็คือว่าคนที่ไม่เชื่อบาปมากกว่านะโดยเรียกว่าเทียบระดับต่อระดับเงื่อนไขต่อเงื่อนไขคนไม่เชื่อบาปมากโดยคนทําบาปหรือบาปที่เราทําเนี่ยเนี่ยเราพูดถึงว่าถ้าตัวเราเองเนี่ยบาปที่เราทํามันจะมีอยู่เป็นสองอย่างมันอยู่ที่ว่าบาปบางอย่างเนี่ยเราไม่แจ่มแจ้งความเชื่อเราเข้าไม่ถึงความชัดเจนเราเข้าไม่ถึงมีหรือไม่มี มีครับที่สําคัญบาปว่าเป็นบุญชั่วเป็นดีดีเป็นชั่วก็ลองคิดดูแล้วกันว่าเป็นไปได้ไหมคนเข้าวัดจะบอกว่าข่ายุงไม่บาปปีไหมฮะแล้วเคยคิดบ้างไหมแล้วบางทีเผลอเผลอเมื่อก่อนเราก็นึกว่าไม่เป็นไรทำไมที่เรายังใหม่กับธรรมะอยู่นะเอพอนานๆเขา้าเออชักรวมันี่เป็นบาปเหมือนกันมันก็เกิดการทํารวมดีขึ้นอีกหน่อย ทีนี้เรานึกเหนือว่าขณะนี้น่ะกรรมกรรมิเลสผลกรรมผลกรริเลสที่เราเชื่อเนี่ยมันครบเบ็ดเสร็จหมดแล้วเราไม่ผิดขวาผิดตัวไม่เชื่อผิดสบาว่าดำแล้วแล้วเราก็ตัดสินใจพฤติกรรมเราทุกวันนี้อยู่ในกรอบของความเชื่อที่เต็มบริบูรณ์นั่นแล้วมั่นใจไหมไม่มั่นใจค่ะ <c oughs> ก็อย่างที่บางคนพอบอกว่าเนี่ยเห็นหน้าลูกแล้วก็เกิดความรักความบุญวันในเป็นบาปนะอย่างจักชั่งงักเลยชักงักเลยใอ้บาปยังไงใช่ไหมนี่มันละเอียดนะผมพูดรวมละเอียดแต่ไม่ได้พูดอย่างเป็นเจริญตเนี่ยทำไมนั่นคือขั้นละเอียดขั้นกว่าในสูงขึ้นไปเราไม่เห็นอันตรายไม่เห็นโทษของความบูพพันธ์อย่างนี้เราก็ก็คิดอะไรต่ออะไรของเราไปอย่างหนึ่งที่มันแสดงถึงระดับของภูมิจิตเพราะฉะนั้นถึงว่า คนที่จเจริญในธรรมขั้นสูงเนี่ยมันเห็นอันตรายของกรรมละเอียดเห็นอันตรายของความทุศีลละเอียดเห็นอันตรายของกิเลสละเอียดขึ้นไปตามระดับแต่ว่าจะขึ้นไปแค่ไหนมันก็จะต้องมีไอ้จุดที่ตัวไปตันอยู่แค่นั้นทุกๆคนไปถ้ายังไม่เป็นผู้สิ้นอาศวะกิเลสนะในที่นี้ท่านก็หมายเอาเบ็ดเสร็จหมด หมายเอาเบสเสร็จหมดไม่ได้ถือเอาใครเป็นเกณฑ์ในระดับใดระดับหนึ่งเท่านั้นทีนี้ในแง่ของการทําบุญเนี่ยตรงนี้ชัดเจนเลยว่าคนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่รู้บุญรู้บาปทําบุญได้จริงไหมกายกรรมทําได้และคนที่เชื่อบุญเชื่อบาปก็ทําบุญได้ไอ้นี่ก็จริงอยู่แล้วเราเองเนี่ยเราไม่พูดถึงคนอื่นที่เราไปเที่ยววะวะเขาว่ามิจฉาทิสีงงเลอายกเขาไว้ก่อน บุญบางอย่างที่เราทําเวลานี้นะเราไม่ชัดเจนแล้วว่ามันเป็นบุญเป็นของดีจริงเป็นของประเสริฐ จ, จริงก็ยังอยู่ในขั้นเียกวฝืนฝืนทําเชื่อพระไปก่อนนะฮะทํารักษาหน้าไปก่อนอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยแน่ใจหรอกเออว่าบรรลุเป็นพระอรหนันต์จะเป็นยังไงจะเสียหายปนพี่ขนาดไหนเนี่ยนะฮะไม่ไปจะแน่ใจหรอกไรนี้ผ่านะจะเป็นยังไงนีเงี้ยมันก็มี แล้วก็เมื่อในกลางสัปดาห์นี้ผมยังถูกปัญหาถูกคนถามปัญหาปัญหาหนึ่งนะฮะ<อ>ถามว่าคนเราปฏิบัติธรรมจะต้องบวชได้หรือนี่คนถามนี่เป็นนักปฏิบัติธรรมแต่ว่าก็เป็นนักปฏิบัติธรรมแบบยุคไฮเทคคือคนรุ่นใหม่แต่รวยมานานแล้วรวยเก่า คนรุ่นใหม่นะเขาก็มีชีวิตของเขาอยู่แบบธรรมดาเขาไม่คุ้นกับเรื่องบวชเรื่องอะไรแต่ไร น, นะแต่เขาดีก็แล้วกันแหละเขาปฏิบัติทําได้ผลดีแต่เขาน่ะไม่สงสัยแล้วก็ผมก็รู้ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับคนที่ปฏิบัติทําด้วยกันแล้วไปบวชแล้วไปบอกชวนผู้อื่นให้บวตตามเขานะเขาก็ว่าเอ๊ะทาถูกหรืออย่างเงี้ยจะต้องบวชได้หรืออะไรอย่างน้นไปพูดไปน้องไม่เห็นด้วย จะให้ผมตอบเข้าข้างไหนจะตอบบ้างไงดีจะบอกโอ้เนี่ยคุณคิดถูกแล้วไม่จําเป็นต้องบวชผมยังไม่บวชเลยคนนั่นทําผิดถูกไหมไม่ถูกผมก็ตอบไปอันหนึ่งบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของขั้นขวาที่บางคนอาจจะก้าวไปถึงแต่ว่าไม่ใช่ไปทําอย่างหุนฝืนนะตามอย่างนี้เป็นธรรมชาติที่พระงคนก็พร้อมก็ก้าวกันไปดีแล้วแล้วก็ถือว่าการบวชเนี่ยเกื้อกูลต่อการปฏิบัติเพราะอะไร เพราะความอาลัยความเยื่อใยในกายความติดในกายภาระในกายบริโภคในกายมันลดลงใช่ไหมฮะนี่ผมก็ได้แต่นึกแต่ไม่ได้ชี้ถามยังคุณเนี่ยคุณต้องไปเข้าร้านเติมสวยเ ห, หมละ่ะถ้าโกนหัวแล้วได้ก็ไม่ต้องนี่พูดถึงคนบวชใช่ไหมก็ไม่ต้องอะไรหลายๆอย่างเนี่ยชุดเชิดอะไรก็ไม่ต้อง ไม่ต้องสนใจว่าใครก็จะมาจําชุดเรามาวานใส่ชุดขาวปีเอ้ย <Hey, S 2> ขาวขาวแค่นี้วันนี้ใส่ขาวแค่นี้ไ ม, ไม่มีความหมายไม่ต้องไปกัววงวลหงายอะไรทั้งสิ้นไปที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าได้เข้าไม่ได้แต่งตัวไม่เหมาะสมถามมาแม่ชีไปเข้าวังไปคารวาสมเด็จญาตต้องแต่งชุดดํามีใครบ้างแต่งชุดดํา แล้วมีพระองค์ไหนเข้าไปสวดดยนะสวมจีวรชุดดำก็ไม่ต้องนะองเรียกว่ามันล่งไปหลายอย่างนี่คือสิ่งดีของการบวชนันที่คนที่เขาทำได้อย่างนั้นก็ทำถูกแล้วเราบวชไม่ได้แล้วก็แพ้เปรียบเขาในแง่นี้แต่คนบวชไม่ได้ก็ไม่ใช่จะต้องไปตำหนิเรื่องอำนาจอ้างเอาคนบวชได้มากรมมาว่ากันเนี่ยเขาก็ว่าเขาเข้าใจึ้น แล้วก็พูดถึงเล่าตัอีกอย่างนะอีกปัญหาหนึ่งว่าถามว่าคนทําบุญแล้วไปเที่ยวชวนคนอื่นเขานี่เขาก็ว่าจากที่ได้ฟังคนอื่นทําและชวนและอ้างเวลาทําบุญว่าจะได้มีบริวารเยอะเขาก็ถามว่าอย่างนี้ถูกหรือเนี่ยตัวจะทําบุญแล้วไปช่วยชวนคนอื่นเนี่ยแล้วก็อ้างว่าจะได้มีบริวารเยอะนี่เป็นความโลภลบเหล่านี้ก็นึกว่าทํานองไม่เห็นด้วย แล้วก็เก็บอกเอออย่างงั้นอย่ามาชวนเราคือเขียนไปเป็นบริวารคนมันอย่างนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยมาชวนเราเราไปทําด้วยแล้วก็ไปเป็นขี้ข่าคนพันอย่างงี้นะการนี้เราก็ยังไม่อยากจะเจอหน้าอยูอ่เอวุษาจะมาชวนสร้างบัน t ะไปให้เดือดร้อนใจชานลอีกผมก็บอกว่าเนี่ยก็บอกว่าไอ้เรื่องการชวนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องพระพุทธเจ้าพูดไว้จริงนะการชวนให้คนแต่คําว่าชวนให้คนทําดีของพระพุท ธ, ธเจ้านี่ไม่ได้มาพูดกันอย่างที่เราพูดเก็บแคบอย่างเดี๋ยวนี้ ท่านหมายถึงเราทําดีเองเใช่รักษาศีนเองชวในให้คนรักษาศีนนีเ่เราก็ไม่เด็กเดือดร้อนเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนเราบอกว่าทานดีนะเราทําเองเออคุณใส่บาตบตงตีทำบางติไม่ใช่จะชวนทั้งทีก็ตอนตอนเราเป็นประธานทอดกระถินเองไม่ทอดเราไม่ชวนจะไปทอดคนอื่นเราก็ไม่เห็นด้วยต้องรอให้เราเป็นประธานก่อนหรือไปทําวัดเราหรือทําตอนเราบวชอย่างนี้นะฮไอย้ยางนี้มันมีอาคุศสนเข้ามาแฝงมาลดราคา บุญแล้วก็วิบากเวลามันออกมาในทางในทางริบานเนี่มันจะออกมาในลักษณะที่เรียกว่ า, เ, าเขาเรียกว่าสุภาสิทัยมีอะไรล่ะมันเอ่ยแล้วมันอาจจะกระเทือนใจกันบ้างนิดหน่อยนะสุภาสิบทนี้ช้างสารงูเหา่าฆ่าสาวผัวลักอะไรประเภทนี้เลยว่าต้องมาได้รับความอะไรที่เป็นเรื่องเสียหายด้วยกับ ไอความที่เราต้องมาได้บริวารคนนี้ทานองนี้นะพอตัวไปเอาจากเขาเนี่ยทานองอย่างงี้น่มาเนี่ยสมมติตัวเนี่ยไปรับปากกับพระว่าจะหาเงินเท่านั้นตอนนี้ น, น, นนะพระเออไปปอ ม, ม, ม่เป็นไรโยมถ้าโยมหาเงินมาตอนนั้นตอนนี้แล้วอย่างงูอย่างงี้อะไรก็ได้แต่นะอย่าเป็นเรื่องหน้าดี อ, อะไรก็แล้เราก็เออจะไปหาจักใครดีนะเออคนนี้มีเงินหนาเราต้องไปบอกต้องไปหวานลอ้อมเอามาเป็นกรรมกรเป็นกรรมการเนี่อะไรก็แด้ก็ได้มีเจตนาในลักษณะที่คิดถึงแต่ตัวเอง ในส่วนที่เกี่ยวกับการบุญไม่ได้คิดในเชิงความเหมาะสมเกื้อกูลอะไรเป็นอย่างอื่นเลยการชวนที่ถูกต้องคือชวนเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นนะฮะและพัฒนาตัวเองในเชิงบุญไม่ใช่ในเชิงไอ้ความสําเร็จทางในรูปของผลประโยชน์ในการบุญถ้าอย่างนี้แล้วก็ บ, บริสุทธิ์เรามีเพื่อนมีปุงก็จะดีและยิ่งชวนก็ทําบุญสูงได้เนี่ยเราก็จะมีเพื่อนดีนะเพราะฉะนั้น ก็ยกตัวอย่างให้ฟังกันในตอนนั้นชัดเจนว่านี่ทาให้เราได้เพื่อนดีจริงๆเพราะเราไม่ได้ชวนคนไปเสียไปหายเนี่ยใช่ไหมฮะเราเทียบดยกันดูกเนี่พูดถึงในวงนตนธนานะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆฉะนั้นถ้าอย่างนี้แล้วก็ก็ดีก็พูดอย่างนี้เขาก็เลยอยากจะชวนคนทําต่อชวนทําในความหมายอย่างนี้ว่า เออพก็เลยเล่าให้ฟังนี่เป็นเรื่องความสนใจของคนนอกวงการเราแต่ว่าอย่างเราคงจะไม่ไม่กองใจอะไรนะขอผ่านเลยไปถึงในเรื่องของวจีกรรมและมะโนกรรมโดยหลักใหญ่เหมือนกันทั้งสิน้นต่างกันที่เทว า, านนะครับว่าบุคคลทำวจีกรรมด้วยเทว า, านใด ด้วยตัวเองกับบุคคลผู้ที่ผู้อื่นตามนะรพระพุทธเจ้าเราก็คงจะได้เคยเล่าไว้แล้วในพุทธตุปทานว่าทำไมพระผู้มีพระภาคจึงทรงถูกนางสุนทรีใส่ร้า ย, ายจําอบปกรรมได้ไหมฮะการใส่ร้ายเที่ยวนั้นนะทำให้พระเสียชื่อไปด้วยถูกคอรหานินทาไปด้วยเพราะอะไร ะบุทธเจ้าก็เล่าว่าเพราะว่าพระผู้มีพภาคในสมัยก่อนเนี่ยเป็นอาจารย์เจ้าละตีคนหนึ่งสมัยที่ว่างจากศกาสนาแล้วก็ไปพูดจาใสารา่ร้ายฤาษีผู้มีอภิญญาให้ลูกศิษย์ฟังลูกศิษย์ ก, ก็เข้าใจผิดเกิดอักิและจิตเกิดการแสดงออกร้อยตามที่ระบุทธเจ้าบอกต่ไม่ตอนนั้นไม่ใช่ะบุทรเจ้านะเป็นเป็น ผู้สร้างบา ร, รมีอยู่ในตอนนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านก็ตรัสว่านี่แหละทําให้เรามาถูกใส่ร้ายในภพนี้ชาตินี้แล้วก็พลอยทําให้พระลูกวัดเสียชื่อไปด้วยพูดง่ายว่าเพราะเขาเกลียดเจ้าวาดเลยลูกวัดอดไปด้วยเพราะเขาไม่ชอบเจ้าวาดก็เลยพลอยเกลียดลูกวัดไปด้วยเนี่ยท่านเล่าไว้แล้วก็มีเรื่องอื่นด้วยนะนี่คือ อพระพุทธเจ้ามาในฐานะผู้ผิดทางวจีกรรมข้างอาสังาคาริกลูกศิษย์สมัยก่อนนะผิดวจีกรรมข้างสะสังาคาริกแต่ทํากรรมร่วมกันเวลามาเสวยบากก็เสวยร่วมกันอย่างนี้อันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างอย่างในทางอาุศลแมในทาง กุศลก็มีแล้วก็เราก็เลยไปถึงมโนก็แล้วกันนะฮะมโนทวารความผิดทางมโนทวารในที่นี้ก็เอาเบ็ดเสร็จหมดแม้แต่ความคิดที่เป็นอกุศลปรากฏขึ้นนิดนึงหน่อยหนึ่ ง, งก็เป็นเ อ, อผมถามว่าคนลักทรัพย์คนอื่นเป็นทวารอะไรเป็นกรรมทางทวารไหนลักทรัพย์ลักทรัพย์ลักทรัพย์ขโมยของคนอื่นนะ่กายใช่ไหมฮะกาย เราไม่ได้รักคนอื่นแต่เราเราหวงแหนตนหนีในทรัพย์สินของเราไม่อยากให้ใครไม่อยากให้ใครมาขอหวงแหนแต่ไม่ได้ไปเอาของใครเนี่ยของเราได้มาโดยชอบทำหรือไม่ชอบทมก็ตามถ้าไม่ชอบทมก็ปิดกรณีไอ้เรื่องไปเอามายังไงนั้นตามตะวันนั้นไปแต่เมื่อเราหวงแหนอยู่เนี่ยเป็นอกุศลทางมโนตะวนัน ควรไม่ควรก็เป็นเรื่องของไอระดับของความตันหนีที่ต่างชั้นกันแล้วก็ไอ้เรื่องนี้นะ่ะผมถึงเคยฝากเป็นข้อสังเกตแล้วก็ได้ฟังได้ยินเรื่องอที่มันเป็นวิบากที่เกิดขึ้นจากไ อ, ไอ้ลักษณะอย่างนี้นะคือคนที่ทําอะไรแล้วมีอุปสรรคขัดขวางเนี่ยเกิดขึ้นจาก อากุศลพวกไหนคือหนึ่งอากุศลในทางขัดขวางทําอะไรที่เป็นการขัดขวางผลประโยชน์ความสําเร็จของผู้อื่นแม้ด้วยเจตนาคิดว่ายายายายาเป็นม โ, มโนแล้วแล้วก็ถ้ากระทําการโกลนขวายด้วยกายวาจาก็กลายเป็นอกุศลทางกายการรมนี่นี่เป็นอันหนึ่งนะ แล้อย่างนึ่งก็คือความตรหนีเนี่ยแหละครับมันเหมือนท้องผูกไม่มีวิดเลยไอ้กิเลสตัวนี้ทําให้ท้องผูกเกิดลมเดินไม่สะ ด, ดวกทําให้ให้เกิดการทุกอย่างนมีอุปสรรคแล้วก็บังเอิญผมมีตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่อหลานเขาเนี่ยเป็นคนเราผมไม่รู้จักเจ้าตัวเขาหรอกเจ้าของปัญหาเนี่ยเจ้าของเรื่องเนี่ยที่เกิดเจ้าของเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ย เขาเพิ่งเสียชีวิตไปเป็นคนมีฐานะมีอันจะกินแต่อันหนึ่งที่ผู้หลานได้บอกเนี่ยผู้หลานเป็นคนเข้าวัดแต่ว่าผู้เป็นยายเนี่ยไม่เข้าวัดแต่เขาบอกว่า ต, ตอนมีชีวิตเนี่ยอยู่ดีมีสุขจะกินอะไรก็มีกินนะการเงินการทองเรียบร้อยดีทุกอย่างเขาบอกว่าเชื่อไหมยายเขาเนี่ยไม่เคยทำบุญเลยและขี้เหนียวด้วย ขี้เหนียวไม่ทำบุญเลยทั้งกับพระกับคนก็ไม่ทำขี้เหนียวทั้งกับคนในบงในบ้านแต่ก็อยู่ดีมีกินพวกบอกเออมันก็เป็นบุญเก่าเก่านะไอ้ทีแรกก็ไม่มีอะไรทีนี้พอแกตายเข้าหมดบุญยังไงรู้ไหมก็มาเข้าฝันหลานคนเล่าเนี่ยบอกว่าก็เรื่องก็พิพิษยีทิดาดานนะ เขไปว่าได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วบอกว่าเนี่ยไม่ได้ทําบุญมาขอร้องให้หลานหลานเขาเป็นนักปฏิบัติทางจิตอปฏิบัติกรรมฐานให้ช่วยทําบุญอุทิศกุศลไปให้นีหลานเขาบอกว่าประหลาดแท้แทเลยเขาก็ไปบอกใครสักใครในครอบครัวเนใี่ยทำบุญเชื่อไหมครับทำไม่สําเร็จสักสดสดร้อนๆเนี่ยไปจะไปเลี้ยงพระวัดกรรมฐานมีเหตุอันจะต้องไปได้เลี้ยงไปใส่บาตร หน้าวัดหน้าหน้าบ้านหรือบางทีก็ไปใสบาทไอ้ตรงที่ใดที่หนึ่งที่สมควรที่ว่าเป็นเวลาเหมาะเนี่ยครับพระไม่มาเขาก็บอกเขาก็เอาของนไปเที่จจยวแจกไอ้คนยากคนจนไปกีนพระมาครัเมื่อแจกของไปหมดแล้วเลยไม่ได้ทําบุญไม่ได้อุทิศส่วนกุศลให้มันหลายครั้งเหลือเกินนะที่ทําให้เอ่าไม่ได้ทําบุญเนี่ยมันเป็น คือเมื่อคนหมดบุญอุปธรรมแต่บางก่อนเนี่ยตัวเองสั่งสงกิเลสไว้มันก็เลยเป็นตัวขัดขวางทําให้ทําอะไรก็มกักจะไม่ได้รับความสาเร็จแม้แต่จะทําความดียังโดนขันขวางเลยเชื่อไม่เชื่อจะทําความดีแล้วบางทีไอ้ความดีที่เราจะทำํำเราจะทําให้คนนั้นเนี่ยไอ้คนนั้นยังอุตส่าห์มาขัดขวางเราเลยกับบางคนนะนะก็เป็นไปได้อย่างนี้ อย่างทำนองที่คุยกันในห้องตอนพักนี่อันหนึ่งนะท่านจะกลับไปได้ยังไม่รู้ขนาดทาความดียังมีอุปสรรคกันกว้างผมก็บอกเรียนกับท่านว่านี่ก็เป็นอกุศลของเรานะแต่ดีแล้วละที่เราพยายามสู้ฝืนถึงจะใช้เวลาตั้งห้าปีสิบปีจนกระทั่งสำเร็จเนี่ยเราไม่แท้แท้ทอแท้ไปแต่ก่อนได้ทำสาเร็จจะได้ปน เปลี่ยนพลังกรรมแล้วได้มีโอกาสพึ่งใบบุญของเราเองในภพชาตต่อไปวันนี้คงจะพูดไว้แต่เพียงตัวนี้นะครับในหลักที่เหลือนั้นถือว่าเหมือนกันในหลักใหญ่ๆและข้อความในหน้าหลังเนี่ยผมจะไม่อธิบายอีกแต่จะกล่าวสรุปในหน้าสีนะฮะท่านพูดถึงสาย วิวัตตะที่บอกว่าอาวิชานี่มันแทรกอยู่ในกรรมแทรกอยู่โดยความเป็นอุปนิสัยทางไม่รู้หรือไม่รู้หนะแน่นนนะัอนแล้วก็แทรกอยู่ในขณะจิตที่เป็นอกุศลก็ดีถ้าบุคคลใดละคือสําลอกอวิชชาโดยไม่เหลือแล้วกรรมก็ไม่มีการกระทํานั้นก็จะกลายเป็นกิริยาและท่านก็พูดถึง เจตนาที่เป็นกรรมไว้ด้วยคำว่ากายอย่างสันส้นๆวาจาสันส้นๆใจสันส้นๆเขตอย่างที่ตรัสว่าตัณหาเป็นอย่างเหนียววิญญาณเป็นพืชกรรมเป็นเขตคือเป็นเนื้อนาพอเป็นที่งอกขึ้นของวิบากวัตถุก็เป็นอีกโวหารหนึ่งแปลว่าที่ตั้งเหมือนกับบ้านตั้งอยู่บนพื้นดินพื้นดินเรียกวัตถุ วิบากก็มีที่ตั้งกรรมเป็นวิเป็นวัตถุคือที่ตั้งของวิบากอายตนะแปลว่าที่เกิดก็ได้หรือแปลว่าปัจจัยก็ได้อย่างในทีน่นี้ก็เป็นไวโพจน์ของคําว่าเหตุของคําว่ากรรมนั่นเองนะในที่นี้ยและสิ่งที่เป็นเหตุสิ่งที่เป็นสาเหตุของวิบากก็เป็นอันว่าจะไม่มีอย่างพระอรหันเนี่ย ติณอวิชชาแล้วเจตนาทุกอย่างก็กลายเป็นไข่ลมไปหมดคราวหน้าเนี่ยบังเอิญมีสูตรในลักษณะอย่างนี้สั้นๆอีกนิดหนึ่งผมก็เลยจะโอนเอาเรื่องที่แจกให้ในเรื่องเอกสารยาวๆเนี่ยครับคงจะต้องไปเรียบเรียงเขียนให้ใหม่ไม่งั้นผมคงจะปวดหัวหน้าดูที่จะต้องพูดให้ท่านรู้เรื่องรู้ๆแล้วก็จะรู้แบบหลุดหลุดหลวมๆก็จะไปเขียน ใสบทอธิบายแล้วก็ทําให้เป็นที่ฟังง่ายอธิบายง่ายแล้วเข้าใจแล้วก็ไม่ลืมง่ายเหมือนอย่างเป็นเอกสารแบบนี้มีหรือไม่มีเนี่ยมันก็พูดได้ว่าเป็นใบท้ทั้งสองอย่างนะะแล้วก็ไอ้ที่เอย่างอย่างกรณีของคนที่เขามีปัญหาอย่างนี้ถ้าเขาอยู่ในเงื่อนไขที่จะรับไม่ได้ นะนี่ผมพยายามพูดอย่างกว้างเขาก็รับไม่ได้ถ้าอยู่ในเงื่อนไขที่จะรับได้ก็รับได้นี่พูดถึงเหตุของเขากับอีกอย่างหนึ่งถ้าเรามีพลังมีวิธีการพอที่จะค่อยๆชักดึงเขาขึ้นมาเพื่อให้อยู่ในฐานนีจ่จะรับได้นะคือเตรียมพื้นฐานแก่พื้นฐานเขาสันหน่อยก็อาจทำให้เขารับได้แต่ระหว่างคนสองคนที่จะมาเกื้อกูลอะไรกันเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีสายโซ่อะไรบางอย่างนะ บางทีมันก็เลยไม่ต้องไม่ทันจะได้ไปไปทำให้เขารับหรือไม่รับเพราะมันไม่มีโอกาสจะได้เจอเจอกันเลยอะไอย่างนี้ก็อาจจะออกไปในรูปอย่างนั้นผมจะหยุดการบรรยายสำหรับผมนะสองสัปดาห์วันอาทิตย์กลางเดือนกับปลายเดือนแต่ว่าจะได้ได้ติดต่อนิมนต์ท่าน อาจารย์พระประราชเหลียว